ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนําเอาเรื่องของบุคคลตัวอย่างที่มีมาในพระธรรมบทคุณเจ้าไตนกายมาแนะนํากันท่านทั้งหลายเพราะไปนะั้นเขาเวลาเดียวนะคนตัวอย่างในวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องของท่านเศรษฐีคนสําคัญ ตึงปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างทรงประชันอยู่เป็นมหาเศรษฐีคนนี้มีนามว่าโชติกาต่อไปก็เป็นพระมีนามว่าโชติกาเทระในความมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทับอย่ายาวสมรานดียาบท ลายกฎไว้อยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร <c oughs> ในคราวนั้นองสมเด็จพระวิชิต ม, ม, า, มรารส่งพระรพบัยโชดิกะเซระเทระจิริทรงตัธรรมเทศนาวาน่าโยธะตันหังเป็นตนเป็นกล่าวถึงว่าบุปผาคำคมของสองพี่น้องถวาดอย่างนี้นะ <c oughs> ในความถวาอย่างนี้ กล่าวว่านอนุปปิการ t h ในเรื่องนั้นอนุปปิการ tha แปลว่าเรื่องมีกล่าวกันมาตามลาดับองกล่าวว่าได้ยินว่านาดิการกุลุมทีสองคนพี่น้อง <c oughs> ในกรุงพาราเลสีเขาได้สองคนอากันทําได้อ้อยไว้แฝงมาก <c oughs> ต่อมาในวันหนึ่งน้องชายไปยังไร่อ้อยคิดว่าเราจะต้องการให้อ้อยลาหนึ่งกับพี่ชายลาหนึ่งจะเป็นของเราที่หมายที่ว่าจะเอาอ้อยสองลำแบกไปให้พี่ชายลาหนึ่งแล้วของเราอีกลาหนึ่งยังได้ผูกลาอ้อยทั้งสองในที่ที่ตัดแล้วเพื่อต้องการไม่ให้รถอันไหลออกถือ อ, อไป ทนไหมายกว่าตัดหัวตัดท้ายแล้วเชือกรักเกรงว่าน้ำหวานนั้มันจะไหลออกไปเสียในความสลายของเขาแต่ความจริงมันไม่ไหลแต่ว่าือวว่าเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนกวจริงคนประเภทนี้ผมชอบเพราะว่าเขาดีกว่าผมตามท่าบาลีที่งกล่าวว่าได้ยินว่าในครั้งนั้นไอ้เรื่องโลหีตออยนี่ ด้เครื่องยนต์มันไม่มีในเวลาที่ลำอ้อยที่เขาตัดไปที่ปลายก็ดีคนก็ดีไม่ยกก้นแล้วในสำรับรถอ้อยมันย่มจะไหลไปทางเดียวอ๋อที่ผมโง่ไปแล้วสิก็แสแดงว่าเวลานั้นอ้อยเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันแล้วหรือว่าไม่ต้องบีบ ในลำของอ้อยมันมีสภาพคล้ายๆลำไม้ไผ่ที่ไม่มีข้อถ้าตัดไปในนะ้ำมันมีน้ำน้ำหวานมันถ้าตัดแล้วมันจะไหลออกท่านบอกก็เหมือนกับน้ำไหลออกจากกระออมเะนั้นเจ้าชาในเวลาที่เขาถือลำอ้อยไปจากไร่แล้วก็เดินมา เป็นเวลาพลดีที่เขาพบองค์พระประเจกพระเจจาว์้กล่าวว่าพระประเจกพุทธะที่อยู่ที่วกเขาขันธามาตได้ออกจากสมาบัิแล้วจึงมารำพึงว่าวันนี้เราจะได้ทำการสง้์อนุฆาตจากใครน้อแลเมื่อพิจารณาไปก็ทราบด้วยอนาจทิเบตคุ ย, ยาน เห็นชายผู้เป็นของคนนอมนี้เขาเข้าไปในขาออ่ายเครื่อยานของตนและก็ทราบว่าเขาเป็นผู้สามารถที่จะทำการสงครนได้เพื่อทราบว่าเขามีศรัทธาท่านยันถือบาทและจีวรแลออ้วก็เหาะมาโดยลิศเมื่อเวลาใกล้เขาจะได้นเดินมานั่งมายืนอยู่น้าของเขา พอเขาเห็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาก็มีจิตเรื่อมใสยื่เรินลาดผ้าห่มพระปูผ้าลงไปพื้นในที่สูงกว่าตนแล้วนี่มนให้พระประเจ้าพระพุทธเจ้านั่งแล้วใครมกล่าวคำว่าขอพระคุณเจ้านั่งที่นี้เถิดขรับและยังได้กล่าวว่าขอท่านจุนล้อมบาดมาเถิดขรับ ได้เขาจะไในแก้ปลายอ้อยที่ปลูกไว้วางไว้บนบาดน้ําอ้อยก็ไหลลงไม่เต็มบาดเมื่อพระประเจกพระเจ้าดื่มรสอ้อยนั้นแล้วเขายังคิดในใจว่าดีจริงถ้าพู้เป็นเจ้าของเราเนี่ดื่มรสน้ําอ้อยของเราแล้วถ้าพี่ชายจักให้นํามนลฆ่ามาเราก็จักเอา หมายความว่าจะเอาของพี่ชายให้อีละแล้วพี่ชายจะเรียกราคาก็จะให้พวกกาัาง่ายง่ายหรือ ว, ว่าพี่ชายจะไม่เอาราคาไม่เอาเงินแต่เขาจะขอส่วนบุญของเราเราก็จะให้ส่วนบุญแล้วอย่าลกล่าวว่านิมนต์พระคุณจเจ้าน้อมบ่ายเข้ามาเถิดขอรับ แม่ก็ได้ถทวไวอย่อีกลำหนึ่งเป็นลําที่สองขององค์เจ้าแกพระบัจเจกพระติจาว์เป็นกล่าวตามพระบาลีว่าก็จริงฟังแล้วเข้าใจให้ดีนะว่าน้ําอ้อยไม่ต้องบีบไม่ต้องขั้นมันเป็นน้ําไหลออกจากปล่องเฉยๆลำเฉยๆลาแรกเป็นของเขาลําที่สองที่เขาคิดว่าจะเป็นของพี่ชายเพื่อทําไร่ร่วมกัน ยังน้องเข้าไปถวายพระประเจย์พระเจ้าท่านกล่าวตอบไปว่าเขามิได้มีความคิดที่เย็นหลวงแม้แต่ประมาณเทา่านี้เป็นคนซื่อสัตย์เมื่อบรรดาพี่ชายคิดว่าพี่ชายของเราจะนำอ้อยลําอื่นๆจากไร่อ้อยมาเที่ยวกินส่วนพระประเจยกับพรธทัตพะเป็นผู้ใคร่จะแบ่งรสอ้อยนั้นด้วยกับพระประเจย์พระเจ้าเราอื่น หมายความว่าเมื่อข้าถวายแล้วขันฉันไปลําหนึ่งเต็มบาทก็อิ่มต้องการจะนําอ้อยที่ข้าถวายตอนหลังนี้ไปถวายพระประเจย์พระตเจ้าองค์อื่นเพราะว่าพระบาเจย์พระตเจ้านี้อุบัติทีหลายองค์ด้วยกันเมื่อความที่ตนดื่มอ้อยนันลําเออทุกล่าวว่าจึงได้รับไวเท่านั้นแล้วก็นั่งอยู่เขากราบ เขาทราบใบการเขงท่านแล้วจึงได้ไหวได้เป็นจางขวดดิหมายความว่าลำที่สองที่เขาใส่บาตรพราะว่าเจ้าพุทธเจ้ารับไปแล้วจะไม่ดื่มนั่งเฉยแล้วก็ทราบแล้วจริงได้ไหว้ได้เป็นจางขวดดิคือกราบตั้งความปรารถนาว่าท่านเขรับรถอันเลิศนี้ฉันใดรถอันเลิศนี้ใด ที่กระผมถวายแล้วด้วยแห่งด้วยผลแห่งรถอันเลิศนี้กระผมเพื่อเสวยสมบัติในที่วรโลกและมนุษย์โลกในที่สุดเพืบ ร, รมนุษย์ทที่ท่านบรรลุแล้วนั่นเถิดจำเข้าไว้เลครับเวลาที่เขาถวายของเสร็จเขาได้ตั้งมนโนบริทานปราถนาว่าด้วยผลแห่งรถอันเลิศนี้ และผมพึงสวยสมบัติในเทวโลกและมนุสโลกนีหมายถึงว่าถ้ายังไม่ถึงนิพพานในที่สุดพึงบรรลุธรรมที่พระคุณเจ้าดำเนุและนั่นแหละต้นเถิบบเดเสมอพระบาเจคุณเจ้าก็กล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใจไว้แล้วจงสำเร็จผลอย่างนั้นถ้ามนุมโมทนาแก่เขาเรืยองคาถาสองคาถาว่าวอิสิตงัง อิชิตังปฏิตังตุยหังเป็นต้นและอดิฐานดนอาการที่เขาจะพึงเห็นได้เดิมหน้าของฤิ์ของท่านท่านก็หอบไปสู่ว่าเขาคันดมาตในท่าอากาศแล้ว็ตวายรถนำอ้อยแก่พระบาเจกพระติจาวิ้าลอยโรคเขาเห็นปาริหานั่นแล้วไปสู่สานักของพี่ชาย เมื่อพี่ชายถามว่าเจ้าไปไหนมาพระเจ้าในบอกว่าฉันไปตรวจดูไร่ยอ้อยพี่พี่และพี่ชายจึีไในถามว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยตัวเพื่อคนอย่างเจ้าไปไร่ยอ้อยเมื่อไปไร่ยอ้อยกลับมาก็ควรจะถืออ้อยมาสองลำหรือว่าสองลำแด้เจ้ากลับมามือเปล่าเขาเจ้านบอกกับพี่ชายว่าถูกแล้วพี่ ที่ถูกคุณะถือไล่อ้อยมาแล้ว่าฉันก็มาเหมือนกันถือมาสองลำแต่ว่าฉันเห็นพระบจัจเจกพุฒิเจ้าองค์หนึ่งเจียงถวายรถนำอ้อยแก่ท่านของฉันแก่ท่านเมื่อถวายแล้วท่านฉันหมดบาทเจียงนี้นาเอาลำอ้อยของพี่ก็ถวายด้วย เราคิดว่าเราจะให้ท้าพี่ต้องการเป็นราคาก็จะให้ถ้าพ่าที่ต้องการเป็นส่วนบุญก็จะให้บุญพี่จะรับเป็นมูลค่าเป็นราคาค่าลําอ้อยลานั้นหรือว่าจะรับเอาส่วนบุญสําหรับพี่ชายพี่จะว่าก็พระปเจริญพระเจ้าทำอะไรน้องชายจะบอกว่าท่านรื่มรถจากลําอ้อยของฉันแล้ว ก็ถือเอารถจากรำอ้อยของพี่ไปสู่เขาคดมาต์พอไปในอากาศและได้ถวายกับพระบาเจกพทะเจ้าห้าร้อยลูกสำหรับพี่ชายนั้นเมื่อเขากำลังกล่าวอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วคือมีความเพื่มใจอิ่มใจเต็มใจจนกทั่งท่วมทับหัวใจหาที่ว่างไม่ได้ ให่ทําความปรารถนาว่าการบรรลุธรรมที่พระบาเจกพระพุทธเจ้านั้นบรรลุแล้วนั่นแห ล, ละเป็นของดีสําหรับเราน้องชายปรารถนาสมบัติสามอย่างแต่ว่าพี่ชายปรารถนารหารด้วยประการดังนี้นี่จัดว่าเป็นบุพกรรมตอนต้นของท่านโชติกาเศรษฐีได้โชติกาเทระเป็นนั้นว่าการนริฐานเขาบุคคลนี้ต่างกัน สองคนนี้มีการอินถานต่างกันคือน้องชายบัพวัตต่อไปขอผลนี้จงสำเร็จผลแก่ข้าวิเจ้าคือเกิดเป็นทิวดาและเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็เป็นพระอรหันสำหรับพี่ชายน่มีความปรารถนาอย่างเดียวคือความเป็นอรหรันท่านกล่าวต่ อ, อว่าคนทั้งสองนั้นตาลงอยู่ตลอดการอายุแล้ว เพื่ อ, อนจะอาบสอาตภาพนั้นไปเกิดในเทวโลกยังพุทธันดรหนึ่งให้สิ้นไปคําว่าพุทธันดรหนึ่งหมายว่าช่วงระยะพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจงกว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะวันอุบัติขึ้นในวันหนึ่งพุทธันดรคําว่าหนึ่งพุทธันดอนในเขาเวลาแน่นอนไม่ได้ถ้าเปรียบไปว่าติ้นเวลาคนดินหนาแค่ประมาณหนึ่งโยชน์ชี่วันหนึ่งพุทธันดร น, นี่เป็การเปรียบเทียบ จะถือเวลานี้แน่นอนนักไม่ได้ยังกล่าวต่อไปว่าในเวลาที่คนทั้สองไปสู่เทวโลกตนเองคือไปเกิดเป็น เ, เนทวดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพันามาวิปัสสีได้ทรงบวชขึ้นแล้วในโลกที่นองได้สองนั่งเคลื่อนจากเทวโลกแล้วผู้ที่เป็นที่ชายก็คงเป็นพี่ชายได้เกิดเป็นพี่ คนนี้เป็นน้องชายก็ไปเป็นน้องชายตามเดิมถือปฏิสนธิในด็กูนแห่งหนึ่งในเมืองันในเมืองพันธุวะมาพันธุม อ, อพันธุมอพันธุมะดีนครอลินผมไม่เคยดียังเพลียวนันนี้ตั้งกต่ต่อไปว่าบรรดาเด็กเจ้าสองนั้น มารดาวีดาให้ชื่อพี่ชายว่าเสนะแล้วก็นามน้องชายว่าอปาราชิตะอปะราชิตะนะหรืออปราชิตก็ได้เมื่อพี่น้องเด็กสองนั้นกำลังรวบรวมคุมทรัพย์อยู่ในเวลาที่เขาเติบโตแล้วให้เขามารวบรวมาปกครอง เสนากุดุมพีได้ฟังการเป่าร้องในเมืองพันภูมะดีนครข้าวบาศกผู้เป็นขกมันเป็นผู้โฆษณาทาว่าพุทรัตนะเกิดแล้วในโลกธรรมรัตน์เกิดแล้วในโลกสังขรัตน์เกิดแล้วในโลกพวกท่านหลายๆจงทําบุญด้วยกันเถิด วันนี้เป็นวันอิติที่ที่สิบสี่วันนี้เป็นดิตีที่สิบห้าพวกท่านจงทำโมโหสดจงฟังธรรมเขาเห็นบรรดามหาชนันหลายถวายทานในการก่อนพัดหมายความก่อนที่เขาจะกินข้าวขณะนะต่างคนต่างก็เอาข้าวพาหลาหันไปรถวายกับพระอย่างที่จาวานมาธรรมบุญวัดเราในวันนี้ แล้วก็ฟังธรรมในการภายหลังพัดเวลาถวายของแล้วพระฉันเสร็จกินข้าวเสร็จต่างคนต่างก็จ้าตั้งใจฟังทเทศแจกพระพุทธเจ้าเขายืนถามว่าพวกท่านไปไหนมีไหมความว่าสองพี่น้องนะเมื่อมหาชนบอกว่าพวกฉันจะไปโสสนานักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม ถ้ายังพูดว่าฉันก็จะไปฟังธรรมเหมือนกันแล้วก็ไปพร้อมกับบรรดามหาชนทั้งหลายเหล่านั้นนนั่แหละและก็นั่งอยู่ที่สุดของบริษัทคําว่าที่สุดของบริษัทคําว่าบริษัทเปี่ยแปลว่าคณะหรือพวกที่บรรดาคนที่ไปนั่งอยู่นั่งอยู่ท้ายบาลีในขณะนั้นองค์สมเด็จพระมหามุนี ทรงทราบปฏิ ญ, ญาสัยของเขาสำหรับพี่ชายเนะี่ยยังได้แสดงอนุปุพธกถาโดยลำ ด, ดับอนุปุพธกถาก็คือมีทานศีลอริสอ ง, องการบวช แ, และก็โทษเองกรรมเสวยกรรมแล้วก็กล่าวถึงสวรรค์เขาฟังทำเขา อ, องสน็จประทรงทันบรมศาสัญดาแล้วเกิดความโมสาหะในสำหรับพี่ชาย ขอ บ, บรรนใบชาในพระพุทธาศาสนาเขาแก่ อ, อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลําดับนั้นพระพุทมีพระพาา่ายเจ้าจึงตรัสถามว่าก็พวกญาติของท่านน่ะจะเพิงมีสำหรับทิจลามีไหมท่ญญานเสนาโกดมพีก็บอกว่ามีพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎิกาตรัสว่ากุดมพีถ้าอย่างนั้นท่าน ลาอำลาไปจนไปลาน้องชายขนงเาท่านก่อนแล้ลาญาติขาท่านก่อนแล้วจึงมาถ้ายายของท่านยังไมยอย่อนุญาตเพียงใดแต่ทาคตโบุตรให้ไม่ได้เมื่อท่านเสนกุฎมีเขาไปสู่สํานักของน้องชายแล้วกล่าวว่าทรัพสมบัติใดที่มีอยู่ในเด็กคนนี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นจงเป็นของเจ้า นอนชายยังถามว่าแล้วก็พี่ล่ะพี่จะไปไหนท่านเสนนะโุดมพีก็บอกว่าชังจากบทในสมณะขงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอนชายยังกล่าวว่าพี่พี่พูดอะไรฉันเมื่อมานดาตายแล้วก็ได้พี่เป็นเหมือนบิดามารดาก็พี่เป็นเหมือนบิดามารดาคุณในกรุนี้พี่จะหนีไปไหน แต่กลุงมพวกเรานี้มีพวกระสมบัติมากดำรงอยู่ในเรือนนั่นแหละก็สามารถจะทำบุญได้ที่จะทำอย่างนั้นเลยสำหรับเจ้าเสนกรุมพีฟังยิงกล่าวว่าฉันฟังทำในสานักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฉันดำรงอยู่ในท่ามกลางเรือนก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญสมนธรรมได้โดยสะดวก ถ้าอย่างนั้นฉันจะบวชให้ได้จเจ้าชงกลับเป็นอันว่าไล่เขาเวลาก็เดินไปน้องชายก็ตามไปด้วยบอกพี่จะบวชเลยบ้านเรามีเงินมีทองเยอะแยะปกครองเงินทองให้มีความสุขพี่ชายบอกฉันไม่เอาแล้วเธออยากจะเป็นคนรวยก็เป็นไปฉันไม่ยอมรวยด้ว ย, วยเป็นอันว่าพี่ชายก็บวชไม่ยอมจะกลับ สำหรับนอนชายเขาบอกให้กลับไปห้น้อนชายกลับไปแล้วก็ได้บรรลุชายอุปสมบทในาศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้มม า, มมาก็ได้ส่งบรรลุอลหรหันต์ี่ฟังตอนนี้ก็คิดสักนิดหนึ่งว่าอาธิษฐานและบา ร, รมีนี่มีความสำคัญเจ่นว่าท่านผู้เป็นที่ในสมัยก่อน มันน้องมาบอกว่าเอาน้ำอ้อยถวายพระบัจเจกพระเจ้าไปแล้วเขาจึงตั้งมโนลุปิธานปัาจนาด้วยอน้าธรรมปีติว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรุณแล้วขอเราจะมาทุลุทมนั้นไมเกิดสำหรับน้องชายถวายแล้วก็พูดว่าตั้งใจว่าเมื่อผมตายจากโลกนี้ไปแล้วจงเป็นเทวดา ตายจากเทรดาจงจงเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากและจงบรรลุอรหันต์ในขั้นสุดที่เรื่รงอ ง, งอริฐานบารมีเป็นของสำคัญท่านฟังคำแล้วก็จาไปด้วยว่าคนที่จะบรรลุมรรคผลนันเป็นเรื่องของไม่ยากมันขึ้นอยู่แต่กำลงังใจรื้ว่าบรรดาญาโยมพุทธบริสัทธ์หลายที่มารักษาโบสถสีในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ฟังไว้ก็จำเขไว้ถ้าตั้งใจจะมีผลกินกันจริงๆเพราะรรดาท่านพุทธบริษทรัทชายหญิงเลือกเอาทั้งสองอย่างอยากจะเป็นอรหันต์ไปนิพพานเร็วๆก็คิดว่าบุญใดที่เราบำเพ็ญแล้วในวันนี้นีก่ก็ฐานะใดที่องค์สมเด็จพระจินดาสีบุตรมศสสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้แล้ว ขาเข้าไปเจ้าจุมลุธรรมนั้นได้เถิดถ้าคิดอย่างนี้อย่างเลวที่สุดท่านเกิดจะเป็นเทวดาขั้นหนึ่งลงมาเป็นมนุษย์ก็ได้พระนิพพานดีไม่ดีเรื่องของวัดเราฟังเรื่องนิพพานกันเป็นเสื่องปกติธรรมดาถ้าจิตใจหุนดาผนังไหลายเมียลมเก็ละก็า อ, อาจจะได้นิพพานในชาตินี้ฟังไวนะ้นัานแล้วก็คิด จะไปหรือไม่ไปมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแล้วปังกันต่อไปสำหรับน้องชายเราคิดว่าเราจะทำสการะแก่บรรปชิดพวกพี่ชายหมายถึง ว, ว่าพี่ชายบวชเป็นหลานแล้วเขาก็ต้องการจะเลี้ยงจะดูถวายสการะตามที่พี่จะชอบเพียงได้ถวายทานกบิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสิ้นเจ็ดวัน ไม่พี่ชายแล้วกล่าวว่าท่านรับท่านทำการสลัดออกจากพบแห่งตนได้แล้วส่วแตะผมยังเป็นผู้ควกคันวิทยกรรมมาคุณห้าสรับกรรมาคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศรูปเสียงกลิ่นรสรูป เสียงกลิ่นลสสัมผัสสัมผัสอารมณ์ระหว่างเพศที่นาใครแล้วก็ไม่ออกจากบทไม่ไม่สามารถจะหวดได้ขอท่านจงบอกบุญญกรรมอันใหญ่ที่สมควรแก่รับผมผู้ดำรงอยู่ในเรืนเอนนี้เถิก็รับลำดับนั้นว่าเทระกล่าวกันน้องชันว่าดีละเจ้าจงเป็นเจ้าจงเป็นบัณฑิต เจ้าโจงสร้างคำทระคันทรีคนดีสำหรับองค์สมเด็จตสมมาสัพุตตเจ้าบัณฑิตในแ้วผู้รู้นะเจ้าเป็นคนดีว่าอย่างนั้นเถอะโจงสร้างแด่คันทรีคนดีถาวายองค์สมเด็จตสมมาสัพุตตเจ้าสำหรับน้องชายได้รับรสารทุกประวดีแล้วจึงเกณฑ์ให้บรรดาประชาชนทั้งหลายนำไม้ต่างๆมาแล้วเกณฑ์นะจ้างนะก็จะเกณฑ์เฉย ให้ทางที่เพื่อประโยชน์แก่ทัพประชดประสมภาระท่านหลายมีเสาเป็นต้นให้ทำเสาทั้งหมดให้จิตไม่ได้แก้วจิตการฟังให้ดีนะคือต้นหนึ่งวิจิตการดาไปด้วยสงคำอีกต้นหนึ่งจิตการย์ไม่ได้เงินอีกต้นหนึ่งวิจิตไมได้แก้วมานีเป็นต้น แล้วให้สร้างพระคันทกุนดีด้วยเสาวเหล่านั้นให้มงด้วยกระเบื้องสำหรับอัญมองอันวิจิตรคือที่สวยที่สุดไปได้แก่ทุกเหตการเหมือนกันในเวลาที่สร้างพคันทกุนดีนั่นแหละหลานชายชื่อว่าอราชิตะผู้มีชื่อเหมือนกับตนนันเอง เข้าไปหาอบราชิตะกดมพีผู้เป็นอาแล้วกล่าวว่าแม่ฉันก็จะสร้างท่านจงให้ส่วนบุญกับฉันได้เกิดลวงเขาเรียกลวงแต่คนจริงอาเ น, นี่ยจะเป็นรู้นี่ลวงเขายังกล่าวว่าพ่อฉันให้ไม่ได้ฉันจะสร้างไม่ให้ทั่วไปแกนคนทั้งหลายเราอืา่นวันนี้ว่าไอ้บุญอันนี้แหะฉันจะเอาคนเดียวนะเขายัมาแย่งฉันไม่ได้ หลานชายนั้นอ้อนวอนมาหยุดบ่อยๆกไ็ไม่ไม่มีโอกาสที่เขาจะเึ็งอนุนญาตเยี่ยนี้คิดว่าการที่เราได้กุญชลสลาศศลาหน้าวัตถุใช่ไหมเสลาลูปล่างคล้ายช้างอยู่หน้าพระคันธคุณดีด <c oughs> ตั้งไวข้ข้างหน้ากุติหลังนี้ย่อมเป็นการสมควรเยื่อนสร้างเ้นามีลักษณะเหมือนช้างสมเด็จวุริแก้วก้าวประการ ขเขาจึงมาเกิดเป็นเมนนกะเศรษฐีในพุทธบ้านาตินี้ <c oughs> นี่เป็นอนุ瓦ที่กล่าววันนี้เป็นประวัติความเป็นมาเขาเมเนกะเศรษฐีและการจะกล่าวต่อไปจากนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเพราะเวลามันหมดทั้นดึงของความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแก่ทุกท่านที่รับฟังทั้งนี้เพราะอะไรพราะเวลามันหมดก็ต้องหยุดงแค่นี้ต่อที่นี้ไปขอท่านอางไล ตัง้งใจสมาทานเป็นกรถมฐานต่อไป